การพยายาทำที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยพระเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเมื่อเทศภาคไปปฏิบัติ ซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวสจะเป็นอะไรก็เมื่เทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวสซึ่งเป็นทำเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ข้างพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นองศา ส, สดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการใชไว้เป็นตำหลับตำลาก็เป็นแบบเป็นฉบับ แต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการตจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไป นางท่านอาจารย์นั่นแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยมมวลศัตท์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความ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 ในทำขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งสอแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกรรมัมเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทยัย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 ค้นหาความจินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำานากระทั่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรม ซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้คิดบนขวาเป็นผู้รับผลคือปฏิเวทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็สนับจากพระพุทธเจ้าทางภาคปฏิบัติและได้ปฏิบัติ อย่างนั้นมาการสั่งสอนท่านจึงสั่งสอนให้กลุมคืนไปกันกับปฏิบัติทางปฏิบัติมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะให้เห็นผลประจับกลายเป็นปฏิเวทขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาพปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็อยอมขวาง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 เป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉล า, าดรอบคอบไปดูเรืหนักไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจําเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของประสาทศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั่นใครๆก็นับถือได้ไม่สําคัญอะไรนักเลย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 ของเมืองไทยเราที่นับถือพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจําเขาก็พูดได้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 ไม่ว่าอยู่แห่งหนุนาำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึง่งือทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นค่าสิทธต่อธรรมนี่สิผลจะให้รงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมด า, าการปฏิบัติศาสนาเป็นของยาก คนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบตัติหากต่างคนต่างปฏิบตัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคารวสาไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบปล่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบทนะักคารวาไปที่ไหนจะได้พบได้เห็น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 นั้นตามคำสอนพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเงย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนื้อหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนา ศรัทธาความเชื่อความลืมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและแล้วฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามศัหรัธรรมของพระพุทธเจ้านั้น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 นี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จรงิงหรือท่านสอนแบบรูปคำคำหรือสอนแบบที่ว่าพระจักมาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่ง ก, กันและกันนิปัญญาชนทั่วไปนี่เราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่น ในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นนัน้นี่สำหรับผมเองไม่ได้คำหนึง่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไยทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวธแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนมู่เพื่อนตลอดประชาชนทัว่วไป ด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปติวิธธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพานยิงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสมคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ไหน ภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนับถือผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากใช่เห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัย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 รายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิง่งยิ่งไปดูลยเดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธรายเราในขั้งพุทธกาลน้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจ ดูใจที่กำลังถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถนี่ยาได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่จุดที่จะรับความบอบช้ำเพราะกิเลส ย, ย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏ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 อย่ามองที่อื่นเสียเวลาศาสนาธรรมนั่นที่จาลึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จาลึกเรื่องอะไรจาลึกเรื่องของกิเลสบาป บ, บุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้บีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะ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 อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญยลิเออาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนนายตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละลายละลายเช่นพวกเราเป็นต้นยละยอทุก ป, ประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิท เหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นธรรมเลออันเหมาะสมของทีเดีประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บาเพ็ญที่จะให้ทำขั้น น, นั้นๆเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติ อย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคนิพพานจับอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้นิเลศไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่เบหน้าเบื่อหน่ายลำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนกำเจนิเลศไม่เคยอิ่มพอสำหรับทําลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยด้วยเหตุ น, นั้น สารโลกจึงมีกิเลสประจําใจสันทุกคนเพราะชอบกิเละมากกว่าทรรมความโลกมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลกความโลกเป็นประจํานับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเรียงสาภาวะมามีความโลกขึ้นมาตาไวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลก ให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับมิดูที่หัวใจเตื่นขึ้นมาก็โลกอยู่ที่ไหนก็โลกเจินกระทั่งหลับไปเพศต่างๆแล้ับตัวลงเสียทีนึงไม่ออกเพ่งพ่าดทางานก็กวนจิตใจพอเตื่นขึ้นมาก็สังสมตั้งแต่กิเลสพอใจสังสมความโลกความโกรธ ความโมโหโทโสลความหลงหล ง, ลงลมงาลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สังสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสังสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อนหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่นที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุก ข, ของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่า ได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่เลยด้วยเหตุ น, นี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทยัยทั้ง ฝ่ายโทษอย่างถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วสนัดปาดก อ, อกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความเมือสุดด้วนๆเรียกว่าทมทั้งแท่งรมทั้งดวงภายในประเทศไทยมีก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าศักด์สยามขู่ทรง รู้เองเห็นเองแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของทิเดจเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ทำจะ พึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจมีด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นคือปฏิปทาเครื่องนำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดวิริยสภาวะซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่นขึ้นมา นั่นเนี่คือบรมมาสุขมรกผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท่านนอกจากปฏิวัตาเครื่องดําเนินมีสมาธิฐิเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิบัตานี้มา มีอำนาจกำจกัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทางบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดถาดผลรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุนขนาดไหน ไม่มีประเทศใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัตติมาปฏิบัตาคือศีลสมาธิปัญญา น, นี้ไปได้นี่เป็นธรรมรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงใจตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอดอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปอยู่ลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมชาลงไปจึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมากทั้งแปดนี้ไม่มีแล้วมากทั้งแปดก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้ย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดที่เดศด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะคันติเป็นสําคัญ เครื่องสนับสนุนจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจังทั้งกิเลสและธรรมภายในจิตใจเพราะปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะประแจ้งประจับภายในจิตใจดวงสงบเพราะอำนาจแห่งกิตตะภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้น จนถึงขั้ละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอ บ, บรมในภาคกิตตภาวนานี้เลยคาว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาคําจำว่าปัญญาปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดฉลาด ม, มานานเท่ า, ทาไหร่เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจ ทางภาคปฏิบัติแน้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจตัวเราเองไม่เพียงแต่อเอาความจํามาเป็นตัวเป็นตนเป็นมากเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่อสมบัติของตนอย่างแท้จริงเลยมีพิษกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้พิษสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกังวาย เพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบางคาบกิตที่กำลังดิ้ น, นรนอยู่ด้วยขอรอปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความเฉลาดรอบครอบทันกับกิเลสทั้งหลายลใจจะมีความสงา่าง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้ว ความจําว่าปัญญาปัญญาทั้งหลายที่จดจำถึง น, นั้นถึงนี้ได้นั่นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนบรรลุนแล้วแล้วปัญญาแต่และขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยกคลายต่างกันไปเรื่อยดับและสามารถกําจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทนันกัน ปราบกันได้เรียบไม่มีวิเลตตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยเงื่อนทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์พนที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์วิเลตอยู่ที่ไหนกิความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันวิเลตคือเรื่องของสมูทยัยนี้ตั้งแต่เรื่องขนขวายสั้งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมา เผ่าโรนปิดใจมีมากอย่างไรใจก็ย่อมไปรับความทุกข์มากเพีงนั้นมากเพียงนั้นยึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่วิเดีมีมากอย่างไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มักมีมากเพียงไรสุขก็มีมากเพียงนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเป็นปัจจุบันธรรม เป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอ น, นาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาชำระกันอยูน่นี้เอาให้จริงลูกทิตาคตต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสด า, า, าองคหล่อแหละทีเราว่าพุทธังสนังกระนันทำมังก็เป็นสัวขาตธรรม ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆสังฆฉันกชามิยุนแยะตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์ได้จากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมาชัชฌิมาที่กันกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมชัชฌิมาเป็นสําคัญเครื่องยืนยันรับรองให้ท่านถึงความบริสุทธิ์เรานาํามัชฌิมาปฏิปทา ถ้ามาปฏิบัติทำมาจะกลาเป็นพระปลองมรรคผลนิพพานปลองไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชจิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นทำจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามาัชจิมาในการแก้กิเลสเรานํามาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความรู้สึกจุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องจริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคยจริงก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัย ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพว่เห็นตรงนี้เดชทาไมจึงไม่สงบมีสติมีกําลังบางชาตที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งร้านของจิตคือเรื่องกิเลสพายฟุ้งเรีกล่าวแล้วสักคู่นี้สติเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงาน อันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่า ง, งนั้นคือคําบริกรรมหรือกําหนดอนาปาน ส, สติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทโทออกพุทโทได้ทั้งหมดขอจะให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นนั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะทําจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้ เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วทาบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดยะชัดเจนอยู่แล้วว่านีน้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีตาโกฏอยู่นั่นแหละดังนั้นพยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดู สิงต่างๆรอบตัวจะพ่ออย่างยิ่งเบนจะขันของเราของเขาและรูปประขันเป็นสาคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอรุยภะหรือทางไตรลักณอนิจจังทูกขังหน้าตาเนื่องจากรูปประขันนี้เป็นได้ทั้งทั้ง อาจุพะอาจุพังปฏิปูลโโกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามตรีมิสัยในแง่ใดไ ด, ได้ทั้งหมดปัญญาถ้าไม่คิดอยากเข้าใจว่าจะถนาดขึ้นมานเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามีลาสมทะมีลปริภาวิตโตนะร สมาธิมหัพโลโโหสีหานิสังโซสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมิเล็กหมายถพงว่ามีศีลเป็นภ่าพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเราให้ระมัดระวังนักษาศีลอย่าให้ด่างพ้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวอณ์คิดรักและละคายละเย็นระวังตนว่าเป็นความทุกหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็ มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริพาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหนิสั่งซ่าปัญญา อ, อ, อันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจรารณา สิ่งต่างๆซึ่งเคยปุกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้โดยลำดับปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจะติยิดที่ปัญญาได้ซักฟอกกําจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมด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 การพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหวยบอกแล้วคอนเขยไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบล้านนม่ว่าพุ่งซ่านนาคารเพราะความหิวโหวยมันจุดมันลากไปจิฐที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่อมตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหวย ในอารมณ์ต่างๆเมื่อ น, นำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในภาพในขนันนุกลงแหน่ใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้ ง, ง, งทางหน้าต่างๆทำงานของตนให้เป็นปรได้เป็นเม็ดเป็มหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหุนปัญญาหุูนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลย หากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเร า, าไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและไม่ต้องติดในสมาธินี่ติดสมาธิกันเกลื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ข้อสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติตาซึ่งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกันนักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิยิ่งมากติดสมาธิสมัยและมีจํานวนมากด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสมอมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกกร่อแขลนแล้วก็พาทํางาน ปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะทำต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่ใครรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักเมื่อถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ การพิจารณาลี้คาโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นในเรื่อยปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติ ป, ปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนนเท่านั้นนี่ทีียว่าส ม, มารณีวะอาสเดหิู้จติหลุดพ้นไปโดยชอบ ชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติไม่หลุดพ้นด้วยมีสมาธิได้ปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไป น, นี่มันหนุนกันมาเป็นลําดับมันเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกหนาไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ ปัญสติปัญญาก็ผิดขึ้นมาที่นี่พาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่นกโลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดคือหัวใจดวงนี้ขึ้นกำลังมือดอยู่แล้วจะเป็นโลกโลกที่คัดจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการสังขารก็เห็นไม่คปวดขอยุดติอย่างนี้ต่อไปท่านจยาอธิบายด้วยคัะ